เทศอบรมพระวันที่ยี่สิบธันวาคม 2,522 เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนบันทึกไว้กัง น, นี้พูดถึงการแสดงธรรมเป็นการแสดงขวางโลกเขาไม่เหมือนเขาเรียบดีไปสลอดกันน่าฟัง หน้าบีถึงตอนท้ายพูดเรื่องหักโหมในพรรษาที่สิบและพูดเรื่องพระอระหันต์ไม่สวยเวทนาแบบเข้มข้นมากทั้งหน้าหัวเราะตอนที่ต่อสู้กับท่านอาจารย์มั่นเรื่องติดสมาธิที่ถูกท่านสับเคกอย่างหนัก การพยายธรทมที่ขวางโลกเขาอยู่บ้างลึกขวางโลกเขาอยู่มากแล้วแต่จะพิจารณาว่าคือเราเนี่ยประเทศทางภาคปฏิบัติล้นล้วนมากกว่าที่ประเทศเรื่องอื่นใด เมื่อเทศภาคปฏิบัติซึ่งทางด้านปริยัตต่างก็เรียนอยู่แล้วทราบกันมาแล้วก็เกี่ยวโยงกันมาจากปริยัตออกจากภาคปฏิบัติจะไม่เป็นปฏิเวสจะเป็นอะไรก็มาเทศภาคปฏิบัติแล้วก็ต้องเทศภาคปฏิเวส ซึ่งเป็นทมเกี่ยวโยงกันมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาศายาที่ทรงแสดงธรรมทั้งสามประเภทนี้แก่สัตว์โลกจนกระทั่งวันปาริภภพการจารึกไว้เป็นตำลักตำลาก็เป็นแบบเป็นฉบับ แต่แบบฉบับนั้นเราจะนำมาเป็นประโยชน์สาหรั บ, บเราโดยตรงก็เป็นได้ยากเพราะยังไม่สมบูรณ์ด้วยเหตุนั้นการติจจำมานนั้นจึงเรียกว่าปริยัติแล้วเพื่อปฏิบัติจึงจะเป็นปฏิเวทต่อไป นังท่านอาจารย์นั่นท่านแสดงไว้แล้วที่เขียนไว้ในปัญหานั้นาการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเกี่ยมวลสัตว์นั้นเป็นธรรมลึกซึ้งถึงใจโดยทั่วกันความ ถึงใจของธรรมนั้นออกมาจากความถึงพระไทยของพระพธิเจา้าผู้เป็นต้นเขาแห่งธรรมทั้งหมดที่ทรงค้นพบด้วยภาคปฏิบัติจนกลายเป็นปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ภายในพระธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้การแสดงออกแต่ละแง่ละมุม ในทาขั้นต่างๆจะไม่ถึงใจของผู้ฟังซึ่งสอบแสวงหาความจริงอยู่แล้วได้อย่างไรถ้าไม่ใช่เป็นคนใจไม้ไส้ละกรรําเป็นหูกระทะหูกระถอไปเท่านั้นจึงจะไม่ยอมรับความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนด้วยความถึงพระทยัย ลำหนับจากนั้นก็คือสามวกซึ่งทายทอดออกจากพระพุทธเจ้าด้วยภาคปฏิบัติเช่นเดียวกันในขณะรับฟังการอบรมจากพระพุทธเจ้าก็เป็นภาคปฏิบัติอยู่แล้วในขณะที่ฟังเมื่อออกจากสถานที่อบรมไปแล้วก็ทําหน้าที่ปฏิบัติเพื่อ ค้นหาความจริงตามที่พระพุทธิเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเต็มสติกำลังความสามารถของตนจนได้เห็นผลประจักษ์ใจขึ้นมาตามขั้นตามภูมิโดยลําดับลนานากระท่งถึงขั้นอรหัตตภูมิสมบูรณ์เต็มที่ภายในใจที่เรียกว่า ปฏิเวทธรรมซึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อจำได้แต่ชื่อแต่นามแล้วก็มารวมอยู่ที่ใจซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้คิดคนขวาเป็นผู้รับผลคือปฏิเวทธรรมนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอย่างนี้ พสาวกทั้งหลายท่านก็สนับจากพระโพธิเจ้าทางภาคปฏิบัติและได้ปฏิบัติอย่างนั้นมาการสั่งสอนท่านจึงสั่งสอนให้กลมคืนไปกันกับปฏิบัติทางปฏิบัติอันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะให้เห็นผลประจับกลายเป็นปฏิเวทขึ้นมาภายในใจการแสดง เราจึงมกักแสดงทางภาพปฏิบัติอยู่เสมอถ้าจะว่าขวางโลกเราก็ยอมขวางยอมรับว่าขวางแต่อย่างไรก็ตามอย่าให้ขวางธรรมที่เป็นพระอุบายของพระพุทธเจ้าหรือพระประสงค์ของพระองค์ที่ทรงสั่งสอนฉัดโลกด้วยการปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งถึงนสิ่งในธรรมทั้งหลายก็แล้วกันถ้าไม่ขวางธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เป็นค่าศึกต่อธรรม การดำเนินตามทำการแนะนำองค์รมสั่งสอนตามธรรมที่ว่าเป็นผู้คล้อยตามธรรมเห็นชอบตามธรรมปฏิบัติตามธรรมย่อมจะนำมาซึ่งความสงสุขและความเฉลียวฉล า, าดรอบคอบไปด้วยลำหนักไม่สงสัยด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นเนื้อเป็นหนังของพระศาสนาจริงๆเพียงการนับถือเฉยๆ นั้นใครๆก็นับถือได้ไม่สำคัญอะไรนักเลยคนทั่วๆไปเขานับถือกันได้ทั้งนั้นเช่นเมืองไทยเรานับถือพระพุทธศาสนาไปบ้านใดถามว่าท่านคุณถือศาสนาอะไรเขาก็บอกว่าถือพุทธศาสนาบ้านใดเมืองใดตำบลใดตําบลใดอำเภอใดจังหวัดใด เราอยากจะพูดว่าแปดเ้าสิบเอร์ซของเมืองไทยเราที่นับถือพระพุทธศาสนาท่านเหล่านี้พูดได้อย่างเต็มปากว่านับถือพระพุทธศาสนาการนับถือจึงเป็นสิ่งง่ายดายสาหรับผู้ยอมรับพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นธรรมชาติแห่ประเสริฐ พูดได้เต็มปากแม้ที่สุดนักโทษในเรือนจําเขาก็พูดได้ว่าเขาถือพุทธศาสนาการนับถือพุทธศาสนาจริงไม่เป็นของยากอะไรมากยิ่งกว่าการปฏิบัติตามศาสตร์ศ า, าสนาธรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมสอนของพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งฝ่ายกราวาส เป็นสิ่งที่ยากลำบากไปตามหน้าที่และเพศภูมิของตนคนจึงไม่อยากปฏิบัติกันเพราะไม่ฝืนความยากไม่ฝืนความลำบากมนุษย์เราต้องการความสบายไม่ต้องการความยากลำบากแต่ความสบายตามความรู้สึกของตนนั้น เป็นสิ่งที่จะนํามาให้เกิดความทุกข์ร้อนประการใดบ้างนั้นมนุษย์ไม่คอยจะคิดกันจังโดนตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความลำบากเรื่อยมาไม่ว่าอยู่แห่งห้นตำบลใดมีแต่คนโดนทุกข์ทั้งนั้นทุกข์ด้วยหลักธรรมชาติก็เป็นอีกอย่า ง, นงหนึทุกข์ที่สร้างขึ้นมาภายในจิตใจและความประพฤติของตน ที่เป็นค่าศีล ต, ต่อธรรมนี่สิผลจะให้ลงรอยกับธรรมได้ยังไงมันก็ต้องเป็นทุกข์เป็นธรรมานานการปฏิบัติศาสนาเป็นของยากคนจึงไม่อยากทำไม่อยากปฏิบัติหากต่างคนต่างปฏิบัติผลที่ปรากฏไม่ว่าคารวาสไม่ว่าพระจะต้องมีความสงบร่มเย็นทั้ง ส่วนย่อยส่วนใหญ่ส่วนบุคคลและส่วนรวมทั้งนักบวชนักคารวะไปที่ไหนจะพบได้เห็นความสวยงามแห่งมารยาทความประพฤติกิทยาแสดงออกของประชาชนเนะพระเนทั่วไปในแดนแห่งพระพุทธศาสนาสมกับว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธอย่างแท้จริงไม่ซั์แต่ว่า ถือพุทธโดยชื่อเท่านั้นแต่ถือหลักความจริงนั้นตามคำสอนพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติด้วยผลคือความสงบร่มเย็นย่อมเป็นไปโดยทั่วกันเนี่ยหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้จึงไม่สามารถที่จะสอนหรืออบรมเพื่อนฝูงหรือใครก็าตาม ให้นอกเหนือไปจากภาคปฏิบัติตามหลักศ า, าสนาศรัท ธ, ธาความเชื่อความหลมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นของประเสริฐนั้นยกยอมรับว่ามีด้วยกันแต่ศรัท ธ, ธาที่จะเกิดขึ้นโดยความเชื่อผลแห่งการประพฤติปฏิบัติ และแล้วฝ่าฝืนความทุกขานรมาตย์ในการปฏิบัติธรรมตามสักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นนั่นยากยิ่งกว่าความเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรมพระสงฆ์โดยธรรมดาทั่วไปเป็นไหนๆเชื่อการปฏิบัติเชื่อผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี่เป็นขั้นหนึ่งแห่งความเชื่อที่เป็น รากฐานสําคัญของผู้จะเห็นความจริงพบความจริงต้องเชื่อในแง่นี้ก่อนทีนี้ครูอาจารย์ทั้งหลายท่านเป็นผู้อบรมสั่งสอนสั่งสอนในแง่ปฏิบัติตามหลักความจริงอย่างแท้จริงหรือท่านสอนแบบรูปคำคำหรือสอนแบบที่ว่า พระจักมาแล้วดังพระพุทธเจ้าและสาวกสั่งสอนซึ่ง ก, กันและกันหรือประชาชนทั่วไปนี่เราเป็นสิ่งที่จะให้จิตใจของเรามีความหนักแน่นในความเชื่อต่อโอวาทคำสั่งสอนนั้นนั้นนี่สำหรับผมเองไม่ได้คำหนึ่งไม่ได้มาคิดว่าตนมีความสามารถเพียงไร ทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวทแต่ก็มีความพอใจในการสั่งสอนหมู่เพื่อนตลอดประชาชนทั่วๆไปด้วยภาพปฏิบัติเพื่อผลคือความสงบเย็นใจและปฏิเวทธรรมความรู้แจ้งแทงตลอดในมรรคผลนิพพานจึงไม่เคยลดละ เรื่องการสอนแบบนี้เลยหากยังมีชีวิตยอยู่ก็จะต้องสอนอย่างนี้เรื่อยไปเพราะหลักสำคัญอันแท้จริงของพุทธศาสนานั่นดูที่จงนี้ไม่อยู่ที่ไม่อยู่ที่ไหนภาคพื้นธรรมดาแห่งความเชื่อนั้นเรายอมรับกันแล้วทั่วแดนแห่งพุทธศาสนาที่แผ่กระจายไปถึงไหนคนเชื่อเคารพนะถือ ผู้ปฏิบัติตามนั้นมีน้อยมากจใจเห็นผลเป็นที่พึงพอใจนี่เราทั้งหลายตั้งหน้าตั้งตาเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็คือตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินยัยหลักศีล ส, สมาธิปัญญาจึงไม่ควรลืมความตั้งใจลืมเจตนาและความมุ่งมั่นของตนอย่าให้ความมุ่งมั่นเพื่อผล อันตั้งไว้แล้วนั้นให้ด้อยลงไปภาคปฏิบัติจะทำให้ด้อยลงไปตามความด้อยแห่งความมุ่งมั่นมีเป็นหลักสำคัญศาสนาเรียวแหลมนั้นเรียวแหลมที่ไหนจเจริญที่ไหนตามหลักความจริงแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้น จเจริญที่ใดเสื่อมที่ใดอย่าไปคิดให้มากให้เสียเวลาว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่อินเดียศา ส, สนาจเจริญอยู่ที่อินเดียเวลานี้เสื่อมศูนย์ไปหมดที่อินเดียอันนั้นเป็นภาคอันหนึ่งแต่ไม่ใช่สำคัญยิ่งกว่ารายแห่งบุคคลแต่ละรายละลายไปรวมแล้วเป็นกลุ่มแห่งผู้นับถือศาสนา ทำศาสนาให้เสื่อมลงและทำศาสนาให้จเจริญ ย, ยิ่งไปดูลยนดับเหมือนศาสนาเจริญในหัวใจของชาวพุทธเราในครั้งพุทธกาลนอด้วยเหตุนี้จึงพยายามใจดูใจที่กำลังถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ทุกระยะ ทุกขณะทุกอิริยาบถนี่ยาได้เผอตัวนี่แหละจุดที่เจริญจะเจริญที่นี่จุดที่ได้รับความบอบช้ำเพราะกิเลสย่ำยีก็อยู่ที่นี่คุณธรรมที่เคยปรากฏขึ้นมาบ้างเสื่อมลงไปก็เสื่อมที่นี่และจะฟื้น ความเสื่อมแห่งคุณธรรมนั้นให้เจริญขึ้นมาด้วยคุณธรรมเพราะการปฏิบัติมีความเข้มแข็งก็จะเจริญที่นั่นเพราะความเข้มแข็งแห่งการปฏิบัติอยู่ที่นั่นนี่เป็นจุดสําคัญของการปฏิบัติสาสนาธรรมเพื่อมรรคผลเป็นของเราทุกคนอย่ามองที่อื่น เสียเวล่มเวลาศาสนาธรรมนั่นที่จ่าลึกไว้มาจากอินเดียมาถึงพวกเหล่านี้จ่าลึกเรื่องอะไรจะาลึกเรื่องของกิเลสบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานสิ่งเหล่านี้บีอยู่กับผู้ใดผู้ใดเป็นต้นเหตุที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ เส้นบาปความลามกเพราะเหตุพาให้ลามกคือการกระทำไม่ดีบุญความสะอาดสวยงามความสุขเพราะเหตุแห่งการกระทำสะอาดด้วยกายวาจาใจ อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนบาปบุญยละเออาชวะประเภทต่างๆมีอยู่ที่ไหนในตําำลาท่านชี้เข้ามาที่ไหนก็ชี้เข้ามาที่ดวงใจของสัตว์โลกแต่ละหลายลหลายเช่นพวกเราเป็นต้นยละเอทุก ป, ประเภทไม่มีที่ใดเป็นที่สถิตไม่มีที่ใดเป็นที่อยู่อาศัย ได้สนิทเหมือนใจนั่นเลยใจจึงเป็นที่อยู่อันดีเป็นที่เป็นทำเลอันเหมาะสมของกิเลสประเภทต่างๆเป็นอย่างดีตลอดมาและในขณะเดียวกันใจก็เป็นที่สถิตแห่งธรรมทุกประเภททุกขั้นแห่งธรรมได้เป็นอย่างดีสําหรับผู้บําเพ็ญที่จะให้ทำขั้นนั้นๆเจริญขึ้น ภายในตนด้วยการปฏิบัติอย่างเข้มงวดกวดขันตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่มีที่อื่นใดเป็นที่สถิตของธรรมเมืเม่อเป็นเช่นนั้นมรรคนิพพานจะอยู่ในสถานที่ใดถ้าไม่อยู่ที่กิดดวงนี้ไม่อยู่กับความมืดความแจ้งกับดินฟ้าอากาศเมืองโน้นเมืองนี้ แต่อยู่กับที่ใจของผู้ปฏิบัติตั้งแต่ครั้งไหนครั้งไรมาก็เป็นความรินอันตายตัวอยู่เช่นนี้ยิเรศไม่เคยเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ไปอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดเพราะเห็นว่าที่มีหน้าเบือหน่ายลำคาญเนื่องจากได้เคยอยู่มาเสียจนจำเจยิเรศไม่เคยอิ่มพอสำหรับทำลายย่ำยีจิตใจของสัตว์โลกเลย เพ้วยเหตุนั้นสารโลกจึงมีกิเลสประจําใจสันทุกคนเพราะชอบกิเลสมากกว่าธรรมความโลภมันเป็นกิเลสโลกทั้งหลายก็ชอบความโลภความโลภเป็นประจํานับตั้งแต่วันเกิดมารู้จักเยังสาภาวะมามีความโลภขึ้นมาต่ำไว้ตามความรู้ความสามารถอันเป็นไปนในทางโลกเป็นการสั่งสม ความโลภทั้งมากมูลขึ้นไปโดยลำดับมิดูที่หัวใจตื่นขึ้นมาก็โลภอยู่ที่ไหนก็โลภจนกระทั่งหลับไปเรื่องต่างๆนะครับตัวลงเสียทีหนึ่งไม่ออกเพ่งพลาดทางานก็ควรจิตใจพอตื่นขึ้นมาก็สังสมตั้งแต่กิเลสพอใจสังสม ความโลภความโกรธความโมโหโทโซความหลงหลงมลืมเนื้อลืมตัวนี้สังสมกันอยู่ตลอดเวลาใจที่ชอบสังสมสิ่งเหล่านี้แล้วจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดความเบื่อนหน่ายขยายจากที่นี้ไปอยู่ที่อื่นที่ใดจรึงจะเหมาะสม ไม่มีที่เหมาะสมไม่มีที่อยู่อันดีเป็นความผาสุก ข, ของกิเลสทุกประเภทยิ่งกว่าได้อยู่บนหัวใจของสัตว์โลกนี้เลยด้วยเหตุ น, นี้สัตว์โลกกับกิเลส จ, จึงแยกกันไม่ออกถ้าไม่นำธรรมเข้ามาแยกแล้วจะไม่เห็นว่าธรรมเป็นอย่างไรกิเลสเป็นอย่างไรเลยมีพระพุทธเจ้าองค์เอกพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงสามารถแยกแยะระหว่างกิเลสกับธรรม ภายในพระไทยขององค์จนรู้แจ้งเห็นชัดทั้งฝ่ายคุณอย่างถึงพระไทยทั้งฝ่ายโทษอย่างถึงพระไทยเช่นเดียวกันแล้วสลัดปัดออกในสิ่งที่ไม่พึงต้องการทั้งหลายเหลือไว้ตั้งแต่แดนแห่งความเมื่อยสุ ด, ดล้วนๆเรียกว่าธรรมทั้งแท้ธรรมทั้งดวงภายในพระไทยมีก็คือพระองค์ ซึ่งไม่มีครูมีอาจารย์มาสั่งสอนแต่อย่างใดเลยจึงเรียกว่าสัตว์สยามผู้ทรงรู้เองเห็นเองแล้วมาสั่งสอนจัดว์โลกทั้งหลายยกตัวอย่างใกล้ๆก็คืออย่างพวกเรามีครูมีอาจารย์เป็นผู้มาสั่งสอนธรรมโภชเจ้าทรงสั่งสอนชี้ลงที่นี่ให้รู้สถานที่ ของที่เดกเกิดขึ้นตั้งอยู่และชี้สถานที่ที่ทาจะพึงสถิตได้อยู่ได้แล ะ, จะเจริญรุ่งเรืองขึ้ น, นคือที่ใจนี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักปฏิปทาที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นคือปฏิปทาเครื่อง น, ำน้ำนวน ส่งเสริมทำให้มีพลังกำจัดทิริดะสภาวะที่มีอยู่ภายในใจนี้ให้หมดไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีสินใดเหลือเลยใจตรงนั้นก็กลายเป็นธรรมทั้งแท่งขึ้นมานั่นแหละคือบร ม, มสุขมากผลนิพพานจะหาที่นหนถ้าไม่หาที่ใจนั้นการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานท้านอกจากปฏิเวทาเครื่องดาเนิน มีสมาธิเป็นต้นสมาสมาธิเป็นที่สุดแล้วก็ยากที่จะมีปฏิปทาใดนอกเหนือจากปฏิปทานี้มามีอำนาจกรรจาจัดกิเลสให้ขาดสะบั้นไปจากใจไม่มีเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเหมาะสมอยู่ทุกรยายการ ตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาจนมาทางบัดนี้แะเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการปราบปรามกิเลสทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นชนิดผาดผลรุนแรงขนาดไหนโหดร้ายทารุนขนาดไหนไม่มีประเภทใดที่จะนอกเหนืออำนาจมัตติมาปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญา น, นี้ไปได้นี่เป็นธรรมรับรอง เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือปราพิเรตได้อย่างทันควัถึงใจตั้งแต่พุทธเจ้ามาแล้วจนกระทั่งปัจจุบันไม่เคยเสื่อมคุณภาพลงไปเลยนอกจากผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้มีความอดแลรหาคุณภาพภายในตัวไม่ได้ศรัทธาก็ไม่มีวิริยะก็หมดไปโดยลำดับความอดความทนก็ที่เคยมีบ้างก็เสือ่อมตานลงไปซึ่งเป็นเครื่องจะสนับสนุน มากทั้งแปดไม่มีแล้วมากทั้งแปดก็เป็นเครื่องมือทิ้งไว้อย่างงั้นเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ได้นี่เราตั้งหน้าตั้งตามาประพฤติปฏิบัติเพื่อกําจัดพิเด็ดด้วยมัติมาปฏิบัติธรมมีศรัทธาวิญญาตขันติเป็นสําคัญเครื่องสนับสนุนจึงไม่ควรที่จะท้อถอยอ่อนแอเอาให้เห็นจริงเห็นจัง ทั้งกิเลสและธรรมภายใน จ, ใจิตใจว่าปฏิเวทธรรมจะรู้แจ้งไปโดยลำดับสมาธิซึ่งเคยได้ยินจ่ชื่อก็จะประแจ้งประจักภายในจิตใจรวมสงบเพราะอำนาจแห่งกิตตะภาวนาคือภาคปฏิบัติของเราและสมาธิทุกขั้นจนถึงขั้นละเอียดสุดจะไม่นอกเหนือไปจากการฝึกฝนอบรมในภาคกิตะภาวนานี้เลย ญญค ำ, ำว่าปัญญาที่ได้ยินแต่ชื่อพกเอาคําจําว่าปัญญาปัญญามาเต็มหัวใจจนกลายเป็นกิเลก ข, ขึ้นมาท่วงทับหัวใจว่าตนฉลาดฉลาดมานานเท่เท่าไหร่เมื่อได้นําปัญญานี้ขึ้นมาภายในจิตใจทางภาคปฏิบัติแล้วปัญญานี้จะเป็นสิ่งที่ฉลาดแหลมคมเห็นประจักษ์ใจกับตัวเราเอง ไม่เพียงแต่เอาความจำมาเป็นตัวเป็นตนเป็นมากเป็นผลเป็นสมบัติของตนซึ่งไม่ใช่สมบัติของตนอย่างแท้จริงเลยมีคิดกันอยู่มากเพราะฉะนั้นให้พลิชสติปัญญาขึ้นมาให้ทันกับกิเลสประเภทต่างๆจิตใจมีความดิ้นรนกระวนกระวายเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่ทำให้ดิ้นรน บางขับจิตที่กำลังดิ้นรนอยู่ด้วยข้อปฏิบัติมีสมามีสมาธิมีปัญญาเป็นต้นให้สงบตัวลงได้และให้มีความเฉลาดรอบครอบทันกับวิริทั้งหลายลใจจะมีความสง่าาผ่าเผยหรือสง่างามขึ้นโดยลำดับเป็นที่ภูมิใจเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปัญญาก็อยู่ที่นี่ปรากฏขึ้นมาแล้วความจำว่าปัญญาปัญญาทั้งหลาย ที่จดจำํำถึงนั้นถึงนี้ได้นั้นกลายมาเป็นความปัญญาความจริงขึ้นแล้วภายในจิตใจเป็นสมบัติของตนมันล้วนแล้วแล้วปัญญาแต่และขั้นที่ปรากฏขึ้นมามีความแยกคลายต่างกันไปโดยลำดับและสามารถกําจัดกิเลสประเภทต่างๆได้ตามปัญญาขั้นนั้นๆจนกระทั่งกิเลสอย่างละเอียดสุดกับปัญญาขั้นละเอียดแหวมคมเต็มที่ทันกันปราบกันได้เรียบ ไม่มีวิเลศตัวใดเหนืออำนาจของสติปัญญาเป็นต้นไปได้เลยนี่ค่ะทางดําเนินเพื่อความพ้นทุกข์พ้นที่ใจนี้เพราะใจเป็นแหล่งแห่งความทุกข์วิเลศอยู่ที่ไหนกิความทุกข์ต้องอยู่ที่นั่นเพราะเหตุกับผลอยู่ด้วยกันวิเลศคือเรื่องของสมูทัย น, นี้ตั้งแต่เรื่องขนขวายสั้งสมเรื่องความทุกข์ขึ้นมา เผา ร, ร่นจิตใจมีมากเพียงไรใจก็ยอก่อมมีรับความทุกข์มากเพียงนั้นมากเพียงนั้นจึงอยู่ที่ตรงนี้แห่งเดียวกันนี่พิเมีมากอย่างไรทุกข์ก็มีมากเพียงนั้นทีนี้มรรคมีมากเพียงไรสุข ก, ก็มีมากเพียงนั้นเหมือนกันรวมแล้วมาอยู่ที่จิตเอาให้เห็นจริงเห็นจังที่ตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดสําคัญเป็นปัจจุบันธรรม เป็นมัชฌิมาธรรมเหมาะสมอย่างยิ่งอดีตอนาคตไม่สำคัญเท่ากับวงปัจจุบันที่กำลังตั้งหน้าตั้งตาทำละกันอย่างนี้เอาให้จริงลูกศิทธาคด ต, ต้องเป็นผู้จริงเสมอพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นศาสตราองหล่อแหละทีเราว่าพุทธังสสังกัะชั้นทำมังก็เป็นส่วขาตธรรม ชอบแล้วทุกแน่ทุกมุมไม่มีข้อต้องติขัดแย้งได้เลยสังฆสนางกชามิยุนแล้วตั้งแต่ท่านผู้บริสุทธิ์แล้จากพระปฏิปทาคือมัชฌิมานี้ทั้งนั้นไม่นอกเหนือไปจากมาชัชฌิมาที่กันตรองให้ท่านนั้นถึงความบริสุทธิ์ได้เลยมีมชัชฌิมาเป็นสําคัญเครื่องยืนยันรับรองให้ท่านเด็ดถึงความบริสุทธิ์เรานํามัชฌิ ม, มาปฏิปทา เข้ามาปฏิบัติทำมาจะกลาเป็นพระปลองมรรคผลนิพพานปลองไปมีได้ที่ไหนเพราะมัชฌิมาไม่ใช่ของปลอมเป็นธรรมจริงอย่างแท้จริงไม่มีอะไรจะจริงเท่ามาัชฌิมาในการแก้กิเลสเรานํามาแก้กิเลสเหตุใดจะกลายเป็นของปลองเป็นมรรคเป็นผลปลอมขึ้นมาเป็นความวรู้สึกหลุดพ้นปลอมขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ต้อง กินอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ท่านเคยกินก่อนพวกเรามาแล้วโดยไม่สงสัยตังหาตังตาประพฤติปฏิบัติตัวเห็นตรงนี้เดชทำไมจึงไม่สงบถ้ามีสติมีกำลังบางชาที่จะต่อสู้กันอยู่แล้วคิดไม่ความทุงสร้างของจิต คือเรื่องกิเลสพาให้ฟุ้งได้กกล่าวแล้วสักรู่นี้ชาติเป็นเครื่องยับยั้งเป็นเครื่องบังคับอีกให้อยู่กับงานอันเป็นงานที่ให้เกิดความสุกของจิตอย่างน้อยก็คือคำบริกรรมหรือกำหนดอนาปานสติเป็นต้นเราจะตามด้วยพุทธเข้าโทรออกหรือ เข้ากับพุทโธออกพุโทออพโธได้ทั้งหมดขอจอะให้เผลอสติในขณะที่ทำภาวนาบทนั่นนั้นในข่านเริ่มแรกที่จะทําจิตให้สงบท่านเริ่มกันอย่างนี้เมื่อสงบจนเป็นบาทเป็นฐานแล้วคําบริกรรมจะมีหรือไม่มีไม่สําคัญเพราะฐานแห่งความสงบนั้นบ่งบอกชัดและชัดเจนอยู่แล้วว่านีน้คือจุดแห่งความสงบของจใจใจก็อยู่ที่ความสงบ ดูที่จุดแห่งความสงบมีปรากฏอยู่นั่นแหละจากนั้นก็พยายามฝึกหัดคิดค้นด้วยปัญญาพี่คลายดูสิ่งต่างๆรอบตัวเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเบนจะขันของเราของเขาและรูปประขันเป็นสาคัญดูให้เห็นจริงเห็นจังตั้งแต่ภายนอกเข้าสู่ภายในโดยตลอดทั่วถึงทั้งทางอสุภะ หรือทางไตรละอนิจังทุกขังอนัตตาเนื่องจากรูปประคั น, นี้เป็นได้ทั้งทั้งอรูปะอรุปังปฏิกูลโสโคเป็นได้ทั้งอนิจังทุกขังอนัตตาเป็นได้ทั้งทั้งสองอย่างการพิจารณาเพื่อความถนัดตามเะดีย์นิสัยในแง่ใดได้ทั้งนั้นปัญญาถ้าไม่คิดอยากเข้าใจว่าจะฉนาดขึ้นมาเฉย ท่านกล่าวไว้ว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามีลสมถะีละปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหโหติหานสรางโซสมาธิที่ศีอลอบรมแล้วย่อมมีผลมากนอก็มหมายถึงว่ามีศีลเป็นภาคพื้นสำหรับผู้มีศีลคือนักบวชเราให้ระมัดระวังนักษาศีลอย่าให้ด่างพล้อยและทะลุจิตใจก็มีความชุ่มเย็นไม่เป็นนิวร คิดแค่ระคายระเวงระวังตนว่าเป็นความทุกข์หายในเงื่อนในเงื่อนหนึ่งของจิตจิตก็มีความอบ อ, อุ่นแล้วพิจารณาทางสมาธิเมื่อจิตไม่เกิดนิวรณ์มาขั้นกลางแล้วก็เข้าสู่ความสงบได้เร็วสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสั่งซ่าปัญญาอันสมาธิเป็นเครื่อง หนุนสนับสนุนแล้วย่อมมีพลังสามารถที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆซึ่งเคยปกปิดกำบังอยู่ภายในจิตใจนี้ให้กระจายแจ้งไปได้โดยลำดับปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิมุจจติจิตที่ปัญญาได้ซักฟอกกำจัด สิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายคือกิเลสนั่นแหละออกหมดแล้วย่อมพน้พนจากทุกได้โดยชอบ น, ะอ น, นั่คำว่าปัญญาที่ว่านี้ท่านก็บอกแล้วว่าสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาไม่ใช่สมาธิจะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นได้สมาธิต้องเป็นสมาธิปัญญาต้องเป็นปัญญา ถ้าเราไม่ผิดให้เป็นปัญญาก็ไม่เป็นการพิจารณาปัญญาด้วยความสะดวกเพราะมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนนั้นก่อเนื่องจากใจที่มีความสงบแล้วเป็นใจที่ไม่หิวโหวยว้าแวกคลอนแข่งไม่ควานอนควานี้ส่งหน้าส่งหลังส่งซ้ายทรงขวาทรงไปรอบด้านนี่ว่าฟุ้งซ่านนลำคาญเพราะความหิวโหวยมันจุดมันล่าไปจิตที่มีความสงบ ย่อมเป็นจิตที่อิ่มตัวตามขั้นภูมิของตนไม่เหี้โหยในอารมณ์ต่างๆเมื่อนำไปพิจารณาทางด้านปัญญาจึงทำตั้งใจทําหน้าที่ปัญญาสอดส่องไปตามเหตุการณ์ต่างๆในธาตุในขันธ์ในปง่นแงใดก็ตามปัญญาตั้งหน้าทำตั้งตั้งหน้าผันตาทำงานของตนให้เป็นประไดเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะจิตมีความอิ่มตัวด้วยสมาธิ นี่สมาธิถึงปัญญาหนุนอย่างนี้ไม่ใช่สมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาเลยหากว่าสมาธิมีแล้วปัญญาเกิดขึ้นเองแล้วผู้ที่มีสมาธิแล้วจะต้องหลุดพ้นไปด้วยการทำนั้นแต่ทําไมจึงไม่หลุดพ้นเพราะสมาธิก็เป็นสมาธิไม่ได้เป็นปัญญาถ้าเราว่าไม่พิจารณาให้เป็นปัญญาและ ไม่ต้องติดในสมาธิมีติดสมาธิกันเปลี่อนผู้ปฏิบัติทั้งหลายเพราะสมาธิก็มีคุณสมบัติมีรสชาติาซึ่งพอที่จะให้ติดได้เหมือนกันนักภาวนาที่มีความชำนาญในสมาธิยึงมัมกติดสมาธิสมัยและมีจานวนมากด้วยด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้ออกทางด้านปัญญาสมาธิเป็นเครื่องอบรมติดให้มีความอิ่มตัวหรือเป็นอาหารประเภทหนึ่ง จิตได้รับเสมอมีความอิ่นตัวไม่บอกแหวกกรนแขนแล้วก็พาทำงานาปัญญาก็ตั้งหน้าตัางตาทำงานเต็มเม็ดเต็ ม, ตมหน่วยรู้แจ้งชัดตามอาการนั้นๆหรือตามสภาวะทำต่างๆที่ปัญญาทำงานคลี่ไข่รู้ไปโดยลำดับลาดับถึงเวลาควรทิ่จะพักเข้าสู่สมาธิเพื่อสงบใจให้ได้พักตัว ในสมาธิก็ต้องพักเมดถอนออกจากความสงบนั้นแล้วก็ทําหน้าที่การพิจารณาขี้คาโดยทางปัญญาทําอย่างนี้โดยความสม่ำเสมอแลนะจิตก็ย่อมมีความโปรองสนใสขึ้นเรื่อยปัญญาจะสามารถตัดกิเลสออกไปได้โดยลําดับตํๆจนผลสุดท้ายไม่มีกิเลสตัวไหนนอกเหนืออํานาจของสติปัญญาไปได้เลยขาดสะบั้นไปหมดเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้น นี่ที่ียว่าส ม, มาดีวะอาสัะหิมุจจติมาหลุดพ้นไปโดยชอบชอบด้วยปัญญาชอบด้วยสติไม่หลุดพ้นด้วยมีสมาธิได้ปัญญาพาให้เกิดขึ้นมาเองแล้วฆ่ากิเลสให้หลุดลอยไปทมันหนุนกรมาเป็นลำดับ น, นั่นเนี่ยธรรมะที่กล่าวมาเหล่านี้อยู่ที่ใจของพวกเราทุกๆรูปทุกหนา ไม่ได้อยู่ในอดีตไม่มาอยู่ในดินฟ้าอากาศอยู่ที่ใจผู้รับรู้อยู่นี่แหละกิเลสก็อยู่ที่นี่ปัญสติปัญญาก็ผลิตขึ้นมาที่นี่ฟาดฟันหันแหลกกันลงไปที่นี่ปฏิเวทธรรมจะอยู่นโนโลกไหนถ้ามาอยู่ในโลกมืดหัวใจดวงนี้ขึ้นกําลังมือดอยู่นล้วจะเป็นโลกโลกคิดคัดจางขึ้นมาโดยไม่สงสัยนั้นการสดงการเผยหนุนไม่ควรขอยุติอย่างนี้ กลับไปทำระยะที่ว่าง